50 languages. Cuarenta. การสอบถามทาง e manal a m i ขอโทษค่ะ p e r d n i ช่วยดฉันทีได้ไหมคะ p d r í a ayudar? แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะอนิยม n นร้านเต a ดันเบอร์กีเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมคะ่ะจิร a อาลาส e r ร a a la c a ต t o ่ a d a ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดคะ่ะ d e s p พ é s c o n t i n นย una mica recta ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะ d e s p พ é s v a จ i 100 m e t r ร s a la d างด้า a คุณสามารถไปด้วยรถเมย์ก็ได้ t a m b แต่ปัต a ากา a ฟ้าลูทูบัคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ับียคุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้ตั้งแต่ปัตเซกิอันโคชา ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะก้มบัจจลัสเตอร์ดิดาฟุตบข้ามสะพานไปค่ะทราเวสเซียลปอลอดอุโมง์ไปค่ะปาสิฟัลตุนัลขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะ Vagi fins al tercer s e m า f o r ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะ prés, primer ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป Continu ะดิฉันจะ e ปสนามบินได้อย่างไรคะขอโทษค่ะดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ